นะทีนี้ต่อไปนะครับนัยะต่อไปว่าอีกอย่างหนึ่งพระพุทธพจน์ข้อแรกคือที่ให้พิจารณาเห็นสุขโดยความเป็นทุกข์เนี่ยนะครับคือทรงแสดงถึงการกำหนดรู้วิปริณามทุกข์แล้วข้อสองก็บอกว่าที่บอกว่าให้กำหนดรู้ทุกข์โดยเป็นลูกสอนเนี่ยนะครับทรงแสดงถึงการกำหนดรู้ด้วยทุกขะทุกนะครับส่วนข้อที่สามที่บอกว่าเห็นอทุกขามาสุขโดยความเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยนะ ก็คือแสดงถึงการกําหนดรู้สังขารทุกข์นะครับอีกนัยยะหนึ่งด้วยพระพุทธพจน์ข้อแรกทรงแสดงถึงการกําหนดรู้อิทธารมนะครับเห็นไหมสุขเห็นสุขเวทนาโดยความเป็นทุกข์เนี่ยนะก็คือกําหนดรู้อิทธารมด้วยพระพุทธพจน์ข้อที่2ทรงแสดงถึงการกําหนดรู้อนิถารมนะครับคืออารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาเนี่ยนะครับด้วยพระพุทธพจน์ข้อที่สา ทรงแสดงถึงการกําหนดรู้มัชตารมนะครับอารมณ์ที่กล่าวไม่ได้นะครับว่าน่าปรารถนาหรือไม่น่าปรารถนาเนี่ยนะครับเพราะเมื่อคลายกําหนัดทรมารมณ์เหล่านั้นแล้วแม้อารมณ์ทั้งหลายก็เป็นอันคลายกําหนัดไปด้วยพึงทราบดังพันานามาฌานินะครับเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้ก็ต้องมันไข้ครวนมันพินิจพิจารณาเนี่ยนะครับอย่างมากจริงๆนะครับ และก็สงเคราะห์โดยวิโมกนะครับว่าอีกอย่างหนึ่งเพิ่งทราบการหลุดพ้นโดยไม่มีที่ตั้งนะครับอับปปนิหิตาวิโมกด้วยทุกขานุปัสนาเป็นอันทรงแสดงแล้วด้วยการกําหนดการละราค่าเป็นข้อแรกการหลุดพ้นโดยไม่มีนิมิตด้วยอนิจจานุปัสนาเป็นอันทรงแสดงแล้วด้วยการกําหนดการละโทสะเป็นข้อที่สอง การหลุดพ้นโดยความเป็นของว่างเปล่าคือสุญญตานี่นะครับด้วยอนัตตานุปัสนาเป็นอันทรงแสดงแล้วด้วยการกําหนดการละโมหะเป็นข้อที่สนะครับทจริงนะสงเคราะห์เป็น6กไยรยด้วยกันนะครับนะที่บอกว่าเห็นสุขเวทนาโดยความเป็นทุกข์เห็นทุกขเวทนาโดยเป็นลูกศรเห็นทุกขมสุขเวทนาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยนะครับมี6กในนะครับที่กล่าวไปแล้ว ในที่หนึ่งนั้นคือให้พิจารณาทุกขเนี่ยนะครับให้เห็นสุขเวทนาโดยความเป็นทุกข์เพราะเป็นเครื่องหมายของวิราคะนะครับให้เห็นความไม่เที่ยงนั่นเองนะครับส่วนเห็นทุกขเวทนาโดยความเป็นดังลูกศรเนี่ยนะครับก็คือเพื่อที่จะละความติดข้องนะนะว่าโหขนาดสุขเนี่ยนะมันยังทุกข์แล้วทุกข์มันจะขนาดไหนส่วนเวทนาที่สามก็คือ เป็นสังขารทุกข์นะครับนในที่1 น, นะครับส่วนในที่2นั้นก็คือเป็นอุบายสําหรับถอนราคะหรือถอนราคะนุสัยข้อ2ก็เพื่อถอนปฏิคานุสัยข้อ3ก็เพื่อถอนอวิชานุสัยนะครับนี่คือแสดงโดยอนุสัยส่วนในที่3มก็คือละสังกิเลสสานะครับข้อ1คือสุขเวทนาก็เพื่อละสังกิเลสคือตัณหา ทุกขเวทนาเพื่อละสังกิเลตคือทุจริตนะครับอุเบขาเวทนาก็เพื่อละสังกิเลสคือทิฏฐินะครับทีนี้ต่อไปบอกว่าทีนี้ถ้าพูดโดยทุกนะครับพุทพจน์ที่1 น, นะครับก็คือให้กําหนดรู้วิปริณามทุกข์ที่2ก็คือทุกขะทุกข้อที่3ก็คือสังขาระทุกข์ส่วนในยะที่5นั้นก็ให้กําหนดรู้อิทารมอนิทารลมและมัชฌตารลม ในที่6ก็คือให้พิจารณาโดยอนุปัสนาสานะครับคืออนิจจานุปัสนาทุกขานุปัสนาแล้วก็อนัตตานุปัสนาให้เห็นนิวิโมกสคืออปปนิหิตาวิโมกนะครับอ น, นิมิตาวิโมกแล้วก็สุญตาวิโมกนะครับนี่เป็นการสงเคราะห์คําสอนเหล่านี้โดยนิยหกในนะครับนนะผมเห็นเนอัตถกะถาแสดงขยายความโดยนิยหลากหลายแบบนี้นะครับ เป็นที่โปรดปรานมากนะครั บ, รบชอบใจมากเออเห็นความชัดเจนเห็นขยายเชื่อมไปหาเรื่องอื่นๆได้กว้างขวางเป็นอย่างดีนะครับบทว่ายะโตเท่ากับยะทาเป็นยัสมาแปลว่าเมื่อใดหรือเพราะเหตุใดบทว่าอริโยความว่าเป็นผู้อยู่ไกลาจากกิเลสทั้งหลายคือเป็นผู้บริสุทธิ์บทว่าสา ม, มัทโธความว่ามีปกติเห็นเวทนาทั้งหมดหรือสัจจะทั้ง4ไม่ผิดพลาดนะครับ บทว่าอัจเฉติตันหังความว่าตัดตันหาอันมีเวทนาเป็นราดด้วยมรรคเมื่อปลายได้แก่ตัดขาดโดยไม่เหลือนะครับเนยเป็นการปฏิบัติเพื่อละกำจัดกิเลสจริงๆบทว่าวิวัตตยิยสังโยชนังความว่าหมุนสังโยติสิบอย่างไปได้โดยรอบคือทำให้ไม่มีราคา บทว่ามานาพิสมยาความว่าตรัสรู้ด้วยการเห็นหรือตรัสรู้ด้วยการละซึ่งมานะอธิบายว่าอรหัตตมรคนี้เห็นมานะด้วยอํานาจแห่งกิจนี้เป็นการบรรลุด้วยการเห็นซึ่งมานะนั้นก็มานะที่อริยมรคเห็นแล้วนั้นอันอริยมรคนั้นย่อมละได้ในทันใดนั่นเองเหมือนชีวิตของสัตว์ที่ถูกกัดแล้วย่อมละได้ด้วยพิษที่กัดแล้วนี้เป็นการบรรลุ ด้วยการละซึ่งมานะนั้นนะครับหมายคือว่าอรหัตตมรรคนี่นะครับละมานะนะครับบทว่าอันตมกาสิทุกษาความว่าพระรยาสาวกได้ทำที่สุดกล่าวคือเงื่อนได้แก่สุดสายปลายทางแห่งวัตถุทุกทั้งหมดเมีอ่ออธิบายว่าได้กระทำทุกข์ให้เหลือไว้เพียงร่างกายในชาติสุดท้ายนะครับทุกที่เหลือก็จะมีอยู่เท่านี้แหละนะครับถ้าดับขันแล้วก็หมดทุกสักทีหนึ่ง ส่วนในคาถานะในคาถาที่พระองค์ทรงตรัสไว้ว่าภิกษุใดเห็นสุขโดยความเป็นทุกข์ได้เห็นทุกข์โดยความเป็นลูกศรได้เห็นอุทุกข์ขมสุขอันละเอียดโดยความเป็นของไม่เที่ยงภิกษุนั้นแลเป็นผู้เห็นชอบย่อมหลุดพ้นในเวทนานั้นภิกษุนั้นแลอยู่จบอภินญาระงับแล้วก้าวล่วงโยคะได้แล้วชื่อว่าเป็นมุนีนะครับอธิบายว่าคําว่า อัธานะครับแปลว่าได้เห็นแล้วเนี่ยนะอธิบายว่าเห็นสุขเวทนาโดยเป็นทุกข์แท้จริงสุขเวทนาเป็นเสมือนโภชนะที่เจือด้วยยาพิษในเวลาบริโภคจะให้ความอร่อยในเวลาเปลี่ยนแปลงไปย่อมเป็นทุกข์อย่างเดียวนะครับเนี่ยนะเพราะฉะนั้นได้รับอารมณ์ที่น่าปรารถนาหูดูมันมีความสุขสดชื่นเลยนะแต่ถ้าหากว่าอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความปรารถนานี่แปลไป นะครับยาพิษเนี่ยมันก็พลิกแปลงกันนะความโศกย่อมเกิดแต่ความรักใช่ัหยครับหรือว่าของอันเป็นที่รักเนี่ยนะครับหรือว่าพระพุทธพบตรัสว่ า, าโศกปริเทวะทุกขโทมนัสอุปาญาตนี่นะครับเป็นผลของสิ่งอันเป็นที่รักแปรปลวนไปนะครับขอก ค, ครับให้คาว่าทุกตรงนี้เนี่ยหมายถึงทุกขเวทนาหรือหมายถึงทุกขสัตว์ทุกพอมไม่เที่ยงนะครับ มาถึงทุกข์กษัตริย์นะครับทุกๆเนี่ยที่บอกว่าสุขเวทนาเป็นเหมือนโภชนะที่เจอด้วยยาพิษในเวลาบริโภคจะได้รับความอร่อยอร่อยในเวลาเปลี่ยนแปลงไปย่อมเป็นทุกข์อย่างเดียวอันนี้อุปมาให้เห็นนะครับนี่ทุกๆตรงเนี้ยคือทุ่งทุ่งสิ่งที่ต้องการอธิบายเนี่ยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่อธิบายเรื่องทุกข์ว่าเจ็บปวดอะไรนะครับ คือให้เห็นว่า ส, สุขเวทนานี่นะครับอาการได้รับสุขเวทนาเนี่ยนะจากอารมณ์ใดก็ตามเธออันนะั้นตอนที่มันได้รับความเสเวยเนี่ยมันสุขจริงๆริงนนะั้นแต่เมื่อแปรจากอารมณ์นั้นไปล่ะอันนะั้นก็เป็นทุกขอย่างเดีย ว, วงั้นเถอะเหมือนอะไรก็อุปมาเหมือนกับว่ากินของอร่อยอร่อยเนี่ยนะแต่ถ้าหากว่า ของอร่อยที่เจือด้วยยาพิษเนี่ยนะพอไอความอร่อยนั้นหมดไปพิษมันปรากฏก็จะทุกข์กันนะทุกข์เพราะทุรนทุรายเป็นต้นเนี่ยนะชั้นใดก็ดีคนที่ยกตัวอย่างนะคนที่เพลดิดเพลินกับบุตรเพลดิดเพลินกับพันยาเป็นต้นเนี่ยนะครับโดยเฉพาะนางวิสาขาเน้เห็นชัดขนาดเป็นภระรยาสาวกเพลดิดเพลินกับหลานพอหลานนั้นตายไปนะครับ ตอนที่มีหลานนี่ก็อาศัยความเพลิดเพลินกันห้านนะเออหลานนี่ขยันนะช่วยกิจการงานของเราอย่างนั้นอย่างนี้พอหลานตายเป็นยังไงครับก็เหมือนกับยาพิษนั่นแหละมันออกและมันออกแล้วเพราะฉะนั้นความโศกย่อมเกิดจากความรักหรือเกิดจากของอันเป็นที่รักนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นความโศกเป็นต้นนั่นก็เกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักนี่แหละแปรไปนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่ปรารถนาความโศกก็ อย่าได้ริเจริญความรักเหงั้นกันขออกาสครับที่ผมถามเนี่ยหมายถึงว่าถ้าหากว่าที่ใดมีสุขเวทนาขึ้นมาเทียบกับทุกขเวทน า, ากับกับคำที่เรียกว่าทุกเนี่ยคำค ำ, คำที่ว่าทุกเนี่ยหมายถึงทุกเวทนาไหมอย่างความโศกนี่ก็เป็นเวทนาครับ การถูกเปรียบแทงความโศกความพิไดลำพันอ์ไรเนี่ยจัดอยู่ไปเ็นในทุกกเวทนาครับเป็นทุกกะเวทนาถ้าหากว่าเป็นบอกก็พูดถึงว่าความสุขแม้ความสุขก็เป็นความทุกข์ก็หมายถึงว่าทุกข์ก็สัต์ในการที่จะใช้ประจับัณฑิตคือทุกขเพราะมันไม่เที่ยงนะครั บ, ค, รบคือมันเห็นแบบนี้บ่อยๆนะว่าเช่นว่าใครที่ได้รับความสุขเพลิดเพลินกับอารมณ์ใดๆบ่อยๆเนี่ยนะแต่กรรมสกตาแม่นอยู่แล้วนะยาตะปริญญาก็แม่นอยู่แล้วเนี่ยนะ ก็พิจารณาว่าไอ้สุขอันนั้นเนี่ยนะที่เขาทั้งหลายได้รับเนี่ยมันไม่เที่ยงรอบนะครับก็อย่างตัวยกตัวอย่างเช่นเนี่ยนะครับคนที่กําลังมีความสุขนะเห็นคนที่กําลังครวญครวความสุขหัวเราะกันอย่างเพลิดเพลินเนี่ยนะครับเช่นกินเลี้ยงสังสรรค์มีแก้วแว่นเงินทองชีวิตเป็นอยู่สุขสบายอย่างเพลิดเพลินไปกับสิ่งเหล่านี้ด้วยกําลังความสุขครวยความสุขเต็มที่นะครับทางตาก็ดีสีดีๆทางหูก็เสียงเพราะเพระทางจมูกทาง ก็กลิ่นดีๆรสก็อร่อยนะครับร่างกายก็ดีเนี่ยนะครับเป็นผลของบุญเก่านะทำให้เราเขาได้รับความสุขสเสมยความสุขแบบนี้เนี่ยนะครับมีทุกอย่างเนี่ยนะแ็จแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับไอ้สุขเวทนาเหล่านี้ก็ไม่เที่ยงนะนะครับมันจะอยู่อีกระยะหนึ่งเท่านั้นแลนะครับแต่ตอนที่ถ้าหากว่าเขาไม่กำหนดรู้นะไม่พิจารณาในสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับ ถ้าสิ่งเหล่านี้เปลี่ยนแปลงไปเขาจะทุกข์ขนาดไหนหนอนะครับอย่างยกตัวอย่างคนที่มีความสุขกับตําแหน่งหน้าที่บางอย่างเนี่ยใช่ไหมครับถ้าตําแหน่งนั้นเปลี่ยนไปเป็นยังไงครับผมเห็นภาพนักการเมืองท่านหนึ่งะนะโอ้หตอนที่กําลังอยู่ในอำนาจนี่นะครับไปที่ไหนหน้าตาแกสดใสามากนะครับแต่วันลาออกเนี่ยนะครับหน้าเนี่โอ้โหผมว่ามันเหมือนกับคนละคนไปเลยนะครับเป็นหน้าเหมือนกับคนร้องไห้เป็นคนที่ทุกข์จริงๆนะครับ ตอนที่ที่ออกจากตําแหน่งอันนั้นออกมาเนี่ยนะครับแต่ตอนอยู่ในตําแหน่งเนี่ยยิ้มอย่างมีความสุขเลยนะครับไปที่ไหนคนต้อนรับคนเชื่อเชิญแต่พอออกจากตําแหน่งอันนั้นเนี่ยนะครับโอโ้โหหน้าเนี่ยนะครับเหมือนกับคนเนี่ยทุกจริงๆนะครับว่างั้นโลกทั้งโลกไม่รวมอยู่ตรงนั้นแหละทางั้นเพราะฉะนั้นไอ้ความสุขที่เขากําลังเสเวออยู่เนี่ยนะครับให้รู้เถอะว่าสักวันหนึ่งมันจะให้ผลเป็นทุกข์อย่างแน่นอน อย่างเช่นยกตัวอย่างคนที่เพลิดเพลินกับความสุขที่เกิดจากความเป็นหนุ่มเป็นสาวถ้าความเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยหมดไปเขาจะทุกข์ขนาดไหนเนาะเพราะฉะนั้นสุขเหล่านี้มันก็ไม่เที่ยงรอ้องมันนะมันจะทุกข์อย่างแน่นอนน่ะนะผลของความสุขทุกความสุขต้องทุกข์อย่างแน่นอนเว้นไว้แต่เนคข ม, มสุขเว้นไว้แต่โลกุตระสุขแต่เนี่ยเราพูดถึงการ ม, มาสุขทั้งหลายจะเป็นลักษณะนั้นเอาเกิดตั้งมาคิดว่า เดี๋ยวเราก็จะแก่แล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เรายังไม่แก่เรายังหนุ่มยังสาวอยู่ใช้ยความหนุ่มความสาวให้เต็มที่ก็คิดอย่างนี้แหละครับก็จะได้รีบเสวทำบาปให้ตัวเองอย่างเต็มที่เลยนะใช่ไหมครับพอพิจารณากรรมสัตว์พอพิจารณาอะนะพอคิดอย่างนี้มากๆเข้าก็จะได้แสวงหาบาปประกรรมให้ตัวเองอย่างเต็มที่ แทนที่จะนึกว่าโหเรียวแรงยังมีรีบบำเพ็ญเพียรเป็นต้นนะรีบสแสวงหาบุญกุศลนี่ถ้าหากว่าชราไปแล้วเนี่ยจะประพฤติพรหมจรรย์ได้ยังไงนะครับก็ควรที่จะเรียบสว้ยความสุขพราะว่าของพวกนี้มันเหมือนกับสมบัติชั่วคราวอ่ะนะก็เหมือนกับเรามีบุญเก่ามาทําให้มีรูปร่างกายสุขภาพพลานามัยเป็นต้นที่ดีก็ไม่ควรประมาทในบุญเก่าเหล่านั้นนะครับว่าของนี้มันก็มีชั่วระยะหนึ่งควรที่จะเรีบอ่านะเป็นปัจจัยให้ การเจริญหรือการประพฤติพรหมจรรย์ต่อไปดีกว่านะครับเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขที่แท้จริงนะครับไม่ควรที่จะโม้เพลิดเพลินนะครับบทว่าทุกขมะทักขิสารโตความว่าทุกขเวทนาเมื่อเกิดขึ้นก็ดีถึงทิติขณะดำรงก็ดีแตกดับไปก็ดีย่อมเบียดเบียนทั้งนั้นเสมือนลูกสอนกำลังเสียบเข้าถึงศรระก็ดีหยุดอยู่ก็ดีกำลังถอนออกก็ดีย่อมให้เกิดความเจ็บปวดทั้งนั้น เพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าเห็นทุกนั้นโดยเป็นลูกสอนนะครับมันทุกหมดแล้วครับถ้าเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นนั้นนะครับร บ, บทว่าอาทักขินังอนิจโตความว่าเห็นอทุกขมสุขเวทนานั้นแม้ที่เกิดขึ้นละเอียดกว่าเพราะเป็นภาวะที่ละเอียดกว่าสุขและทุกขโดยความเป็นของไม่เที่ยงเพราะมีความไม่เที่ยงเป็นที่สุดนะครับก็ไม่ได้จีรังยั่งยืนอะไรใช่ไหมครับ พอเปลี่ยนอารมณ์ปะพอเปลี่ยนอารมณ์ซะเวทนาเหล่านั้นก็เปลี่ยนแล้วนะครับแค่เปลี่ยนอารมณ์เวทนาก็เปลี่ยนไปบทว่าสเวสสัมมทโสความว่าพระอริยสาวกนั้นมีปกติเห็นเวทนาทั้งสามโดยเป็นทุกข์เป็นต้นนะครับคือเห็นสุขเป็นทุกข์เห็นทุกข์เป็นลูกสอนเห็นทุกขมสุขเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยนะโดยถูกต้องถ่องแท้บทว่ายะโตเท่ากับยัสมาเป็นต้นนะครับ บทว่าวิมุตติความว่าย่อมพ้นด้วยสามารถแห่งสมุเทเฉทวิมุตติหมายว่าถ้าเจริญแบบนี้มากๆนะครับอริยมรรคจะเกิดอย่างนั้นเถอะมีคอาอธิบายดังนี้เพราะเหตุที่ท่านเห็นสุขเป็นต้นโดยความเป็นทุกข์เป็นต้นเพราะฉะนั้นท่านจึงหลุดพ้นในเวทนานั้นด้วยสามารถแห่งการตัดขาดสมุเทเฉนะครับเพราะละฉันทราคะที่เนื่องด้วยเวทนานั้นนะครับ เพราะฉะนั้นสมุทเฉทวิมุตติก็คืออริยมรรคนั่นเองวันถ้าเพ่งแบบนี้มากๆใคร่ครวญแบบนี้บ่อยๆก็จะสามารถแทงตลอดอริยสัตว์ได้นะครับเพราะว่าผู้ที่เห็นเวทนาจริงๆเนี่ยนะครับใคร่ครวญถึงเวทนาจริงๆก็เวทนาก็นับเนื่องในเวทนาขันเพราะฉะนั้นการพิจารณาอุปาทานขันทั้ง5้าก็ไม่ยากเย็นอะไรเลยนะครับเห็นไหม อีกอย่างหนึ่งบทว่ายะโตความว่าสำรวมแล้วคือมีตนอันระวังแล้วด้วยกายวาจาและใจอีกอย่างหนึ่งพระอริยาสาวกชื่ว่ายะโตเพราะพยายามคือเริ่มตั้งความเพียรอธิบายว่าสืบต่อกันไปบทว่าอภิญญาโวสิโตความว่าเสร็จสิ้นคือทากิจเสร็จแล้วด้วยอภิน ญ, ญาหกเพราะเจริญกรรมฐานมีสัจจะสี่เป็นอารมณ์โดยมีเวทนาเป็นหลักนะครับ เพราะถ้ายกเวทนาเป็นหลักเนี่ยนะเวทนานี่ไม่ใช่อยู่ระดับธรรมดานะเพราะฉะนั้นแม้แต่ฌานทั้งหลายก็เรียกว่าเวทนาเหมือนกันนะครับเพราะองค์ฌานโดยมากมีเวทนาร่วมด้วยนะครับบทว่าสันโตได้แก่ผู้สงบแล้วด้วยการสงบกิเลสมีราคะเป็นต้นบทว่าโยคาติโคความว่าพระโยคาวจรผู้ก้าวล่วงโยคะทั้งสี่อย่างมีการม่โยคะเป็นต้น ชื่อว่ามุนีเพราะรู้ประโยชน์เกื้อกูลทั้งสองอย่างนะครับวันนี้ก็คือกล่าวถึงข้อความที่ปฏิบัติการเจริญวิปั ส, สนาโดยเน้นเวทนาเป็นหลักนะครับจากสองสูตรนี่นะครับคือทั้งปฐมเวทนาสูตรทุติยเวทนาสูตรก็เป็นสูตรที่อัตกถาสติปฐานสูตรเวทนาบัพพาเอามาขยายนะครับ เวทนาบัพพะในสติปัฏฐานนั้นจะเอาสองสูตรนี้ไปอธิบายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจะเข้าใจเวทนานุปัสสนาในสติปัฏฐานก็ต้องอ่านจากข้อความทั้งสองสูตรนี้ด้วยประกอบนะครับจึงจะเข้าใจในบัพพะนั้นดี